Book 2ูห้าสิบเจ็ดพบหมออุลยการะดิฉันมีนัดกับคุณหมอสำหรับวันนี้อุลยการะดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา คุณชื่ออะไรคะอกสซารุนานั่งรอในห้องรซดคุณหมอกำลังเดินทางมาเล็กคยคุณมีประกันกับบริษัทไหน ใครเป็นผู้อิสระนี่เสียเป็นผู้อ a ส m ะนี่ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมคุณมีอาการปวดไหมคะมาเช่โบเลสต์เจ็บตรงไหนคะดิฉันปวดหลังเป็นประจ m มตัตที่ดิฉันปวดหัวบ่อยช้าสต์ลที่ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งคดิมบสต์ที่ถอดเสื้อออกค่ะนอนบนเตียงตรวจค่ะ ลีงนิที่สินาเลจัตโลความดันโลหิตปกติความดันโลหิตปกติควันิตลกดัิปกติควดันปกติาดหิกคดันิตวามันหิคาดหิคามดันวามดันหกิามดนิิควดันหิตควมดันหตกคามดิวามดันโลตกามดันโลหิตกิดันโลิตาันโลหิคามัหปความดัหิคานขายยนา Predpíšem vám recept do lékárny.